เขามีความเห็นว่าศาสนาคือคําสอนพระเจ้าเนี่ยสอนในเรื่องของอให้พิจรารณาความตายอะไรต่างๆ<ช>ซึ่งซึ่งเป็นมองโลกในแง่ไม่ดีน ใ, <ช>ในแง่ร้า ย, ายใช่ไหมจริงๆการมองมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยคือคุณพูดแต่ปัญหาอย่างเดียวไม่ไม่มีทางแก้ไข<ช>แต่คนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเขาเห็นปัญหาแล้วเขาก็จะให้ทางแก้ไขด้วยซึ่งตรงนี้คือหลักคําสอนอของพระพุทธเจ้าว่าอา้าวปัญหาคืออะไรทุกคนต้องตายตายแล้วไงทางแก้คืออะไรมี พระเจ้าจึงมีบอกว่าหนทางแห่งการดับไม่เหลือของความทุกข์มีความตายเป็นต้นเนี่ยมีอยู่ขนทางดับนี้คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองแปดมรรคแปดันประเสริฐคือถ้าพูดในภาพรวมกว้างๆก่อนนะซึ่งในตอนแรกของรายการเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เราก็นำเสนออะไรที่สบายๆไปก่อนถ้าท่านผู้ฟัง มีคำถามเฉพาะเจาะจงเพิ adium, pause, ่มเติมว่ามักเกือกอะไรต่างๆเราค่อยคุยกันเพิ่มเติมได้ใช่ครับอย่างนี้ตัวอกริยสัจสี่ก็คือเป็นตัวของหลักธรรมข้อหลักใช่ไหมครับที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ว่าจะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้องค์ที่จะมาตรัสรู้ต่อจากนี้หรือองค์นี้ก็ตามนะก็กล่าวแต่เรื่องความดับไม่เหลือของทุก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 แล้วก็พูดถึงนิโรดนิโรดนี่เป็นภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นไทยแปลว่าความดั บ, บดับไม่เหลือของความทุกข์มีอยู่ ค, คือคือจุดที่ปัญหามันไม่มีเนะี่ยมันมีแล้วก็พูดถึงมัคคืออันสุดท้ายมัคเนี่ยแปลว่าทางในเรื่องนี้ตอนอที่บันทึกรายการมิตยุเนี่ยมีผู้ฟังทางรายการออนไลน์ในบางท่านนี่แหละส่งจดหมายมาหาที่พีโอธรรมะ d o com แล้วก็บอกว่าถ้าเราจะใช้คําว่ามัค8เนี่ย ไม่ถูก oh, <okay. S 2> อ๋อต้องใช้มร์แปดเนี่ยแปลว่าทางแปดทางแปดทางแสายแต่ไม่ใช่มรเนี่แปลว่าทางมีสายเดียวเป็นสายเอกไปสู่นิพพานใช่ครับแต่ว่ามีองค์ประกอบแปดอย่างอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดบทเพียรชนะให้ถูกเนี่ยต้องพูดว่ามร์มีองค์แปดครับซึ่งพระพุทธเจ้าก็เนี๊บมาก บ, บทเพียรชนะของพระองค์เนี่ย่าก็พูดมร์มีองค์แปดพระองค์ไม่เคยพูดมร์แปดเฉยๆถ้าจะพูดมร์ ก, ก็คือมร์เฉยๆถ้าจะพูด มีเลขแปดด้วยก็จะมีมัคมีองแปดหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าอะริยมัคคือองแปดใช่ภาษาบาลีเต็มๆเรียกว่าอริยะอัฏฐานคิกามัคอริยะปลว่าประเสริฐอัฏฐานอัฏนี่ก็คือแปดครับแล้วก็มัคก็คือทางก็คือทางอันประเสริฐที่นําไปสู่ความดับไม่เหลือของทุกมีองค์ประกอบแปดอย่างครับแปลกันตรงตัวครับ มีมีคนช่างสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรียงว่าทุกสมุทรไทยนิโรธมักไม่เรียงว่าทุกสมุทรไทยมักนิโรธอ่านี่ทําไมครับทีนี้ในเมื่อท่านผู้ฟังด้วยก็ตามนี่นะที่ที่ฟังผภาพออนไลน์อยู่ถ้ามีความเห็นยังไงก็ส่งเข้ามาได้ไอ้ข้อสังเกตแบบนี้เราจะนํามาพูดคุยเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นการคุยเป็นการถามให้ตอบกันใช่เพราะตรงเนี้ยเป็น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 เหตุเกิดทุกเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรละครับทุกที่ทุกทีที่พระเจ้าบอกสมุทัยเป็นธรรมะที่ควรละเหมือนกันหมดนิโรธนะคือความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยเป็นธรรมที่ควรทําให้แจ้งใช่ครับมรคเนี่ยคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรทําให้เจริญก็คือควรรอบรู้ควรละควรทําให้แจ้งควรทําให้เจริญเพราะฉะนั้นถามว่าในสี่อันเนี้ย จะรู้อันไรนก่อนถึงจะดีครับเอารู้อันไหนก่อนผมว่าในในชีวิตเราถ้าเรายังไม่เห็นทุกเนี่ยเราจะไม่เห็นความจําเป็นที่จะต้องมาศึกษาธรรมไม่ครับท่านใช่ประเด็นนี้ไหครับก็คือคนไม่เห็นปัญหาเขาก็จะไม่ทราบว่าอะไรคือปัญหาครับเพราะฉะนั้นต้องเห็นก่อนว่าอันนี้มันคือปัญหาครับตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จแล้วต้องไปเข้าห้องน้ำเนี่ยคือปัญหาใช่ครับต้องขับถ่ายต้องทุกบ้างบางทอะไรต่างๆครับ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 มีสามประการมีสาประเภทใช่ครับทีนี้เราเราก็เห็นแล้วว่าเหตุเกิดแห่งทุกข์เนี่ยก็เป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆนะครับทีนี้ในตัวของไล่ตามก็เป็นต่อไปคือนิโรธใช่นิโรธคือแปลว่าความดับความดับไม่เหลือครับอะไรดับครับท่านก็ความทุกข์ไงความทุกข์ดับความทุกข์ดับอ้าออะไรดับจาดับถ้าอาตมาบอกว่าความทุกข์ดับเนี่ยบทเพลงชนะของอาตมาไม่มีครับ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 สัมมารกรรมตัแล้วก็สัมมาอาชีวะนี่คื อ, อเรื่องเกี่ยวกับปัญญาแล้วก็กายวาจารีมส่วนเรื่องของจิตก็สมาธิก็จะมีสัมมาวายามะสัมมาสติสตแล้วก็สมาสมาธิครับแปดอย่างแปดข้อดูเหมือนจะถ้าเป็นผู้ใหม่นี่จะยากนิดยากไหมครับพระอาจารย์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 ในช่วงนี้ผมสังเกตว่ามีข้อความคำหนึ่งซึ่งจะพูดกันบ่อยคือพุทธวจนะมไม่ทราบคืออะไรครับท่านพุทธวจนะคือพุทธปราาิวารพุทธเจ้าเกียกับจากพุทธเจ้าใช่ไหมวจนะนี่ก็คื อ, อ, อคำคำพูดวจนะคือคำพูดเพราะฉะนั้นพุทธวจนะก็คือคําพูดของพุทธเจ้าพุทธวจนะคือคําพูดของพระพุทธเจ้าซึ่งแตก ต, ต่างกับคําพูดของสาวกอยู่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 เราก็คิดว่าจะไว้ประมาณ30นาทีาทไม่ใ ห, ให้เกินเพื่อที่จะให้ท่านฟังเนี่ยได้จับช่วยได้แล้วก็เนื้อหาครบถ้วนพอสมควรเวลาไม่น้อยไม่มากเกินไปครับครับ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 รธรรมะเนี่ยเป็นพุทธวจนะคือคือพระพุทธเจ้ากล่าวอะไรออกมาจากปากเนี่ยนะเป็นธรรมะหมดอ่า ค, ค, คุณสมบัติของธรรมะก็คือเป็นอาการิโกเป็นปัจจตังเป็นสิกิภูโต อ, อีกคำหนึ่งนะสิกิภูโต ก, ก็คือรู้ได้เฉพาะตน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 ภาคออนไลน์นาไว้เท่านี้ก่อนจเจริญพรดครับก็ขอกราบลาท่านผู้ฟังท่าทุกท่านนะครับสวัสดีครับ